31อตัวโล ก, กธรรมวันต่อมาท่านออกบินธบาติต่างปกติไม่ผิดสังเกตอะไรโยมคนที่ใส่กบให้ท่านเมื่อวานนี้ก็ออกมายืนมองท่านด้วยอาการคําๆแต่ท่านทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นและต่อมาเมื่อท่านออกไปรับบินธบาตตอนเช้าได้มีคนเขียนบัตรสนเทศ ใส่บาตท่านเมื่อกลับถึงวัดท่านได้ห่มจีวร้าสังคาติอย่างดีอบัติสนเทนั้นให้พระเนนอ่านว่าเอา้าลูกอ่านอมริตธรรมแม่นิเทวดาเขาใส่บาตรมาหาฟังญาติตัวพระเนนได้อ่านไปตัวท่านได้พนมมือฟังไปใจความนีว่าพระผีบาเป็นพระเป็นเจ้า ไม่มีสำรวมไม่มีศีลไม่มีวินัยประจบสอบพลอขอของจากชาวบ้านพระแบบนี้ถึงจะเหาะเหินเดินอากาศได้ก็ไม่นับถือเป็นพระให้รีบออกจากวัดไปถ้าไม่ไปจะเอาลูกตะกัวมาป่าพอพระเนนอ่านจบท่านได้พนมมือสาธุจนพระเนน์ได้ยินทุกรูปและท่านได้พูดว่า เอาเก็บได้ท่านแพะบูชาเดอ้อโลกธรรมแปดมันนี่เองแต่ก่อนได้ยินแต่ชื่อว่ามีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศมีสรรเสริญมีลินทามีสุขมีทุกข์โอ้ยของดีตัวนี้สาธุพ้อได้ฟังแล้วแก่นธรรมะเพิ่งมาเมื่อ น, นี้เองเก็บไว้เก็บไว้ วันต่อมาท่านได้ออกบินธบาทเหมือนเดิมโยมที่เอาบตดสนเทศในบาดเมื่อวานยืนยิ้มหน้ารั้วบ้านที่ท่านเดินผ่านพระเนรสังเกตดูอาการท่านก็ไม่เห็นอาการกรดเคืองโยมคนนั้นแต่อย่างไรส2สองน้ำตาผู้เห็นผิดสองถึงสามวันต่อมาครอบครัวของโยมคนนั้นเกิดความวุ่นวายขึ้นทั้งตกทั้งตีกัน จนในที่สุดโยมคนนั้นเกิดเป็นบ้าขึ้นอยู่บ้านก็หวาดระแวงว่าจะมีคนมาฆ่าต้องไปหลบซ่อนอยู่ในป่าถึงญาติพี่น้องจะตามไปเรียกร้องอย่างไรก็ไม่ยอมกลับบ้านพูดได้คำเดียวว่ากลัวคนจะมาฆ่าสุดท้ายญาติพี่น้องต้องนําขันดอกไม้มาขอขมาต่อครูบาอาจารย์เท่าถึงท่านจะบอกว่าไม่ได้ทาอะไร ให้ไข่เดือบร้อนแต่ญาติของโยมคนนั้นก็ไม่เชื่อผลสุดท้ายครูบาจารย์เท่าจะได้โอกาสเทศนาให้ฟังถึงโทษและกรรมต่างๆที่ใส่ร้ายคนอื่นแล้วบอกให้ญาติโยมคนนั้นกลับพอกลับไปถึงบ้านโยมคนที่ใส่ร้ายท่านจึงอาการปกติชาวบ้านทัดูเหตุการณ์ต่างๆที่ครูบาอจารย์เท่าท่านถูกแกล้งไม่ไหว จึงได้ถามท่านว่าขอโอกาสครับครูบาอาจารย์ไม่โกรธเขาเหรือที่เขาแกล้งต่างๆทุกวี่ทุกวันถ้าเป็นกับผมจะหนีนานแล้วไม่ให้อยู่ให้เขาทำนานขนาดนี้ดอกและท่านได้พูดว่าถ้าชาว บ, บ้านชีทวนไม่ร้องไห้ตามจะไม่ยอมหนี สามสจองจับมาตั้งสามปีการที่คนมีการศึกษามากแต่ไม่เข้าใจในการศึกษาท่องแท้ความรู้ที่เรียนมานั้นอาจจะเป็นอาวุธห้ำหั่นตัวเองฉันนั้นหลังจากที่ครูบาอาจารย์เท่าได้รับคําบัญชาจากหลวงปู่เสาให้ไปจําพรรษาที่บ้านขี้ควนแล้วครูบาอาจารย์เท่าได้พยายามอย่างยิ่งที่จะทําให้คน มองดูตัวเองให้เห็นบางครั้งก็องเอาความรู้สึกดีๆพแลกกับความเห็นผิดบางครั้งก็เอาชีวิตของตัวเองเพื่อแลกกับความถูกต้องก็ยอมทั้งพระทั้งโยมที่ไม่เข้าใจท่านต่างจ้องหาความผิดจากท่านให้ได้มีพระอาจารย์รูปหนึ่งชื่ออาจารย์สีจะเป็นคนเคร่งวินัยมากที่มาอยู่กับปรุบาอาจารย์เท่าก็มา เพจะมาหาเรื่องจับผิดครูบาอาจารย์เท่าและตลอดเวลาที่อยู่กับครูบาอาจารย์เท่าสามปีก็หาข้อจับผิดไม่ได้มีอยู่วันหนึ่งครูบาอาจารย์เท่าเห็นอาจารย์สีท่านั่งอยู่ใกล้พอจะมองเห็นรางปัสสาวะครูบาอาจารย์เท่าแกล้งเดินไปปัสสาวะและบ้วนน้ํำลายลงในรางปัสสาวะบังเอิญอาจารย์สีซึ่งจ้องจะจับผิด ครูบาอาจารย์เท่าอยู่แล้วเลยเรียบเดินไปต่อว่าครูบาอาจารย์เท่าว่าไหนพวกเครวิ น, นัยทําไมถึงว่นน้ํำลายลงรางปัสสาวะไม่รู้หรือว่ามันผิดวิ น, นัยครูบาอาจารย์เลยตอบไปว่าผมสงสารท่านที่มาคอยจับผิดผมตัง้งสามปีถ้าว่าผมผิดท่านซ่อนอะไรไว้ใต้อาจนะนั่งท่านท่านไม่รู้หรือว่า ศาตรานั้นมันคู่ควรกับสมณะหรือเปล่าอาจารย์สีไม่ได้ฟังอย่างนั้นถึงกับหน้าเปลี่ยนสีที่คิดไม่ถึงว่าผู้บาอาจารย์เฒ่ารู้ได้อย่างไรว่าอาจารย์สีซ่อนมีดไว้ใต้อสนาสนะ3ิ 34. ภิกุคือผู้ขอไม่ได้ด้วยเลต้องเอาด้วยกลนเมื่อความไม่พอใจ ได้ระอุขึ้นคนแล้วคนเล่าจนเรื่องได้ไปถึงฝ่ายปกครองเบื้องสูงจะได้ลงมาตัดสินด้วยตนเองพระทุกรูปได้พูดถึงการประพฤติตัวไม่เหมาะสมต่างๆนาน า, นาบ้างก็บอกทำตัวไม่เหมาะสมเพราะไปขอของชาวบ้านบ้างก็ว่าเวลาเข้าไปในบ้านไม่สำรวมพระมหาเถระฝ่าย ป, ปกครอง ก็ได้ถามแต่ละข้อที่ว่ามาว่าถูกไหมครูบาอาจารย์เท่าได้พนงมือตอบโดยคนอยทุกคำถามเมื่อจบแล้วได้ถามครูบาอาจารย์เท่าว่าเมื่อเป็นอย่างนี้จะมีข้อแก้ตัวอย่างไรท่านทงรัตครูบาอาจารย์เท่าตอบว่าพิกขุ ค, คือใครถ้าแปลออกมาก็คือผู้ขอไม่ใช่หรือที่ขอก็เพราะ ไม่มีถึงขอถ้าไม่ขอก็าหาอยู่หากินเองเขาก็เรียกคฤรุหัดยากยมเท่านั้นแหละถ้าว่าการกระทำของกระผมผิดจะฆ่าจัแกงกระผมก็ยอมทุกรูปที่ประชุมต่างก็อึง้งไม่มีใครพูดอะไรอีกส5หโจรปลักใจในระยะต่อมา ชาวบ้านที่เคยเป็นปฏิปักษกับท่านเริ่มเปลี่ยนแนวความคิดใหม่เริ่มเห็นความดีของท่านครั้งหนึ่งท่านได้พูดให้ชาวบ้านฟังว่าเมื่อคืนได้นิมิตเห็นหญิงตายท้องกลมได้อุ้มลูกมาหาท่านเพื่อขอส่วนบุญจากท่านให้ท่านช่วยบอกญาติทำบุญอุทิศให้ด้วยท่านเลาว่าได้ถามไปว่าแกเป็นเปรตมาแล้วกี่ปีญิงนั้นให้ผ่าลูก นั่งพนมมือตอบครูบาอาจารย์เท่าว่าดิฉันได้แต่งงานอยู่กินกับพี่คำล่าจนได้ตั้งท้องและได้ตายลงในขณะที่ลูกอยู่ในท้องและพี่คำล่าเขาไป ม, มีเมียใหม่ที่บ้านหัวดอนไม่มีใครทำบุญอุทิศให้ดิฉันเลยดิฉันขอฝากหลวงปู่ได้โปรดบอกญาติของดิฉันให้ทราบด้วย เมื่อครูบาจารย์เท่าเล่าเรื่องดังกล่าวให้ชาวบ้านฟังชาวบ้านก็ว่าเป็นจริงดังหญิงเปรตนั้นพูดคือหลังจากเมียนายคำล่าตายท้องกลมนายคำล่าก็ได้มีเมียใหม่ที่บ้านหัวดอนซึ่งอยู่ไม่ไกลจากบ้านชีทวนหลังจากชาวบ้านบางคนได้กลั่นแกล้งครูบาจานเท่าแล้วบางคนเป็นบ้าบางครั้งก็มีการล้มตายโดยมีสาเหตุ ติดต่อกันบางครั้งคนในครอบครัวอยู่ดีๆเกิดมีปากเสียงกันขึ้นทั้งที่ไม่เคยมีเรื่องมีราวกันมาก่อนเรื่องประเภทนี้ได้เกิดขึ้นกับคนที่แกล้งครูบาอาจารย์เท่ามากขึ้นเรื่อยๆจนชาวบ้านในละแวกนั้นเกิดความเกรงกลัวต่อพลนกรรมที่ตนเองกระทำต่อครูบาอาจารย์เท่าต่างคนต่างนาดอกไม้ทูบเทียน มากราบขอขมาโทษกับครูบาอาจารย์เท่าบางคนไม่ได้เคยทำกับท่านแต่ก็กลัวว่าสิ่งที่ตนเองกระทํามาอาจจะเรื่องเกินท่านก็ได้ก็มาขอขมาท่านเหมือนกันถึงท่านจะพูดกับแต่ละคนว่าท่านไม่ได้ทำอะไรให้ใครญาติโยมเขาก็ไม่ยอมฟังในที่สุดความเกรงกลัวต่อผลกรรมที่ตนเองกระทาต่อครูบาอาจารย์เท่า ได้แพร่กระจายมากขึ้นจนในที่สุดโยมคนที่แกล้งท่านโดยเอากบเอาข้อนตอกสิวไสบาทให้ท่านก็เกิดความเกรงกลัวเหมือนกันได้นาขันดอกไม้มาขอขมาโทษต่อท่านเหมือนกับทุกคนและโยมคนนั้นได้ร้องห่มร้องไห้เสียใจในสิ่งที่ตนเองทาลงไปถึงท่านจะบอกว่าท่านไม่ถือโทษโกรดเคลืองกับใคร ญาติโยมคนนั้นก็ไม่ละความพยายามที่จะให้ท่านรับขันขอขมาให้จนได้ต่อมาโยมคนนั้นไม่ทราบมีอะไรโดนใจได้เข้าวัดมาอุปถัก์ท่านทุกวันอย่างไม่มีใครคาดถึงและเมื่อท่านได้ออกธุดงไปกับหลวงปู่เสาที่เมืงองโขงประเทศลาวได้มาพำนักอยู่ที่บ้านคุ้มโยมคนนั้นเมื่อทราบข่าว ก็ได้ย้ายครอบครัวไปอยู่กับท่านที่บ้านคุม้มและครูบาอาจารย์เท่าได้ใช้สรรพนามแทนตัวโยมคนนั้นว่าหมาแก้วโดยโยมชื่อมหาแก้วเพราะบทเรียนนานจนได้ปเปลี่ยนธรรม 4-5 ประโยค36อาศนะมีผิดหลังจากสถานการณ์ที่เคยตึงเครียดเริ่มคลี่คลายไปในทางที่ดีแล้ว ชาวบ้านเริ่มเห็นความสำคัญและได้นิมนต์ท่านไปในงานต่างๆในงานบุญกลุ่มข้าวที่บ้านจีททนได้นิมนต์พระเนร์ไปร่วมงานเป็นจำนวนมากและได้จัดอาสนะสงฆ์ให้นั่งตามลำดับพรรษาเมื่อจวนจะถึงเวลาจเจริญพระพุทธมนต์พระเนร์ต่างได้เดินทางมาร่วมและนั่งตามอาสนะของตนรูบาจารย์เท่าก็มาตามนิมนต์เช่นกัน รูปการรุ่มรู้มาก่อนอย่างไรไม่อาจทราบได้เมื่อมาถึงแทนที่ครูบาอจารย์เท่าจะเข้านั่งอาสนะที่จัดไว้ครูบาอจารย์เท่ากลับไปนั่งที่อื่นและพูดคุยกับญาติโยมไปเรื่อยเมื่อพระเนรทุกรูปได้เข้านั่งอาสนะหมดทุกรูปแล้วญาติโยมได้นิมนต์ให้ครูบาอจารย์เท่าขึ้นนั่งอาสนะครูบาอจารย์เท่าก็พูดเรื่องอื่นๆเรื่อยไป จนญาติโยมนิมนต์สองครั้งสามครั้งเมื่อเห็นว่าญาติโยมนิมนต์หลายครั้งแล้วพระบาทจาร์เท่าเลยพูดว่าทำไมจึงอยากให้นั่งนักหละไม่รู้หรือว่าอาสนะนั้นมีอะไรอยู่ญาติโยมก็บอกว่าไม่มีอะไรปกติ ด, ดีนี่พระบาทจาร์เท่าจึงบอกให้โยมดีดีสิเมื่อญาติโยมไปพลิกอาสนะดู ถึงกับตกใจเมื่อรู้ว่ามีงูตัวเข่งขดตัวอยู่ใต้อาสนานั้นส7สร้างวัดที่บ้านชีถวนต่อมาโยมส่วนใหญ่เข้าใจเจตนาท่านดีแล้วทุกคนให้ความเคารพศรัทธาท่านมากขึ้นพ่อใหญ่กันหาพ่อใหญ่เตือนพร้อมชาวบ้านที่ได้นิมนต์ท่านมาอยู่จำพรรษาที่บ้านชีถวน ประสงค์จะได้สร้างวัดถวายท่านและโยมหลายคนได้วถวายที่ดินให้ท่านบางคนมีที่ดินอยู่ไกลวัดแต่อยากถวายต้องแลกเปลี่ยนแย่งกันถวายให้ท่านเมื่อได้ที่ดินแล้วพ่อใหญ่สารวัตรกำนันเตือนนำเรื่องไปกราบเปลี่ยนพู้บาอาจารย์เท่าท่านแนะนำเรื่องดังกล่าวขอขึ้นจดทะเบียนเป็นวัดให้ถูกต้องในเรื่องการสร้างวัดนี้พู้บาอาจารย์เท่า ท่านไม่อยากให้สร้างท่านบอกว่าไม่ต้องมาสร้างวัดหรอกพ่อนาลูกมีแล้วนาแปลงนี้คือบาดลูกมีแล้วส8แนวการอบรมธรรมะของครูบาอาจารย์เท่าทองรัตหลวงพ่อเทียบทิรทัธรรโมซึ่งเคยบวชอยู่กับครูบาอาจารย์ทองรัตในปัณสาน้นท่านให้อ่านพุทธประวัติ ให้อ่านโจทย์บนแปลฉบับหลวงอ่านเจ็ดตำนานแปลประวัติอนุพุท ธ, ธะแปดสิบองค์ซึ่งหนังสือเหล่านี้มหาเพียรพลเกื้อปอทหกวัดบวรนิเวศศึกษาที่การอำเภอเกืองในลูกบ้านจีทวนเป็นผู้นำมาถวายในวันพระใหญ่สิบสี่คำหรือสิบห้าคำ ท่านเทศสอนโยมเกี่ยวกับสินห้าให้โยมสมาทานสินห้าและตั้งใจงดเว้นข้อห้ามห้าข้อนี้ให้ได้จะได้ไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ท่านมีตัวอย่างที่ดีและที่ไม่ดีแต่ละข้อแต่ละข้อให้แตกโยมน้อมนำเอามาใส่ตนไม่ให้มีความประมาทมีสินแล้วให้มีสมาธิให้จิตว่างจากกิเลส ไม่ให้จิตยึดเอากิเลสโลภะโทสะโมหะไว้ในจิตใจถ้าจิตปล่อยวางว่างจากกิเลสแล้วก็จะเย็นเย็นทั้งกายเย็นใจเพราะกิเลสโลภะโทสะโมหะเป็นของร้อนใครมีกิเลสโลภะโทสะโมหะอยู่ในจิตคนนั้นจะร้อนกายร้อนใจทุกกายทุกใจ เพราะกิเลสมันเผาลนอยู่ทุกขณะส่วนผู้มีศินห้าสินคุ้มครองรักษาอ น, นิสงของศินจะทำให้มีพกพกรพซับบริบูรณ์มีความสุข ก, กายสุขใจผู้มีศินจะก้าวไปสู่มรรคผลนิพพานได้ศินเหมือนพื้นแผ่นดินสมาธิเหมือนต้นไม้ปลูกลงในแผ่นดินร่มเงาของต้นไม้เหมือนกับปัญญาผู้มีศิน สมาธิปัญญาจึงเป็นผู้มีความสุขกายสุขใจเย็นกายเย็นใจไม่ทุกข์กายทุกข์ใจเหมือนคนไม่มีศีลคนไม่มีศีลเป็นคนบาปผลของบาปจะเผาล่นไปตลอดชาติและจะติดตามไปทุกภพทุกชาติท่านจะให้ธรรมะในแนวศีลห้าศีลแปดอยู่เสมอส9มอบรมพระ ด้วยศีลสมาธิปัญญาครูบาาจารย์ทองรัฐท่านให้ปฏิบัติตามหนังสือนวโกวาาบทสวดมนต์ต่างๆสงสัยในข้อใดให้มาถามท่านเช่นให้ศึกษาคำแปลธรรมจักกบปะวัฒนสูตรซึ่งเป็นโอกาสที่เกิดมีพระสงฆ์ห้างองค์แรกในพระพุทธศาสนาให้ศึกษาในอริยสัจสี่มัมีองค์ปด ให้ศึกษาอานาปนาสติอทัธพปจัจยตาปฏิจจสมุปบาทไม่เข้าใจสงสัยในข้อใดท่านอธิบายให้ฟังโดยจำแจ้งพระพุทธเจ้าท่านทําทางเดินไว้ให้เราเดินแล้วพระอริยะเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายท่านก็เดินตามทางที่พระพุทธเจ้าทําไว้แนะนําไว้แล้วทุกพระองค์ ถ้าเราได้ศึกษาได้ปฏิบัติตามเราก็จะพบทางเดินไปมรรคผลนิพพานได้เหมือนพระอาหารหันต์แปสิบองค์นั้นเหมือนกั น, นแต่ผู้ประมาทผู้ขี้เกียจผู้ไม่มีความเพียรผู้หลงเดินตามกิเลสก็จะไม่มีทางพ้นจากทุกข์ไม่พ้นจากกวตาสงสารเกิดตายทุกโศโรคภยัยอยู่อย่างนี้นับพบนับชาต ไม่ทวนใครมาบวชปฏิบัติในสำนักนี้ให้มีความภาคเพียร น, นั่งสมาธิเดินจงกรมอย่ายให้น้อยกว่าสามชั่วโมงวันหนึ่งกับคืนหนึ่งมียี่สิบสี่ชั่วโมงให้กิเลสออกไปยี่สิบเอดชั่วโมงถ้าทำความเพียรทำจิตให้สงบจากกิเลสได้ไม่ถึงสามชั่วโมงต่อวันเป็นอย่างน้อยออกพรรษาให้ศึกออกไป ช่วยพ่อแม่ทำไร่ทำนาช่วยพ่อแม่ประกอบอาชีพเลี้ยงครอบครัวนี่ความาบวชไม่มีความเพียรทำความเพียรน้อยกว่าสามชั่วโมงเอาชนะกิเลสไม่ได้หรอกมรรคผลนิพพานโน่นอยู่ฟากตายโน่นต้องกินน้อยนอนน้อยขยันมากอดทนมากไม่กลัวลําบากไม่กลัวกิเลสเอาชนะกิเลสให้ได้ จึงจะเห็นมรกรลนนิพพานพระจักคุบานทำความเพียรทั้งกลางวันกลางคืนจนตามองไม่เห็นหมอตาหมู่เพื่อนให้พักรักษาตาสักเจ็ดวันท่านปรึกษาใจตนเองว่าจะเอาตาไว้หรือจะเอามรกรุ่นนิพพานตกลงเอามรกรลนนิพพานตาแตกตาบอดในขณะเดินทำความเพียรและได้นิพพานในขณะนั้นเองนี่ตัวอย่าง ผู้มีความเพียรมากพระพุทธองค์ตรัสว่าผู้ทำความเพียรให้จิตสงบจากกิเลสตลอดหนึ่งราตรีดีกว่าประเจิดกว่าผู้ไม่มีความเพียรมีอายุต้องร้อยปีผู้ปรารถนาพ้นจากทุกข์พ้นจากวตาสงสา ร, รปรารถนามรรคผลนิพพานต้องขยันอดทนทำความเพียร น, นั่งสมาธิเดินจงกรมให้ได้ไม่น้อยกว่า วันละสามถึงสี่ชั่วโมงจึงจะเห็นผลเห็นมากในอนาคตในชาตินี้แหละเอาให้ได้ผลในชาตินี้แหละทั้งหมดนี้เป็นโอวาทอันสำคัญที่ท่านครูบาอาจารย์ทองรัฐเตือนสติให้ทำความเพียรไม่น้อยกว่าวันละสามชั่วโมงอย่างอื่นยังมีอีกมากท่านอธิบายได้จำแจ้งชัดเจนเข้าใจง่ายในจับพันเช่นพระจาเนียง เมื่อบวชได้จามพรรษาถามท่านเรื่องกรรมฐานห้าผมผลเล็บฟันหนังท่านอธิบายว่าแต่และอย่างมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นพระไตรลักษณ์แต่และอย่างไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวตนของเราเมื่อพิจารณาแล้วมันจะถอดอนัตตาอุปทานออกว่าเดยย่ อ, ยอ อุปทานขันทั้งห้าเป็นตัวทุกนี่ท่านอธิบายไว้ให้ทราบโดยละเอียดแล้วว่าขันห้าเป็นตัวทุกขันห้าเป็นไตรักษ์ทุกทุกสิ่งในโลกนี้ทั้งสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตล้วนถูกกราพระไตรักษ์ประทับไว้หมดแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่ชั่วขณะแล้วเสื่อมสลายไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรคงทนจีรังได้ตลอดไป ท่านจะเตือนให้ทำสมาธิให้จิตสงบให้จิตเป็นเอกคตารมจิตว่างจากกิเลสกิเลสหลุดจากจิตจิตจึงจะเกิดปัญญามีปัญญาเห็นธรรมมีดวงตาเห็นธรรมเห็นว่าธรรมะทุกข้อทุกประโยคเป็นจริงเป็นเหตุเป็นผลเป็นปัจจัยซึ่งกันและกันจริงแท้ทุกๆข้อดังได้ตรัสไว้แล้วในบทสวดมนต์ในพระสูตรต่างๆ ตรัสไว้อย่างไรเป็นอย่างนั้นเช่นตรัสว่าเพราะชาติเป็นปัจจัยชะรามรณะย่อมมีเพราะพบเป็นปัจจัยชาติย่อมมีเพราะอุปทานเป็นปัจจัยพบย่อมมีอวิชชาทําให้เกิดสังขารสังขารทําให้เกิดวิญญาณหลังสวดมนต์เย็นแล้วประมาณสามทุ่มท่านจะอธิบายธรรมะตอบข้อข้องใจได้ทราบโดยแจมแจ้ง อีกข้อหนึ่งที่ท่านเน้นกันเป็นพิเศษคือท่านให้ระมัดระวังสำรวมอินทรีหกตาหูจมูกลิ้นกายใจอย่าให้หลงเพลินไปตามกิเลสถ้ามีสติสัมปชัญญะสำรวมระวังในอินทรีหกอยู่ทิริยบทยืนเดินนั่งนอนจะควบคุมศีล227 ได้เป็นอย่างดี40อาบาดเล็กๆน้อยๆไม่ควรมองข้ามไปบินทบาดปวดปัสวะเข้าข้างทางนั่งลงให้เอาใบไม้แห้ง 4-5 ใบต่อกันให้ยาวจึงปัสวะถ้าไม่เอาใบไม้รองปัสวะที่ร้อนและเค็มจะถูกมแมลงสัตรูเล็กๆไว้ถูกพูดตายและยังเป็นอาบาดอีกด้วยถมน้ำลายขากสเสลก ให้นั่งลงเอาใบไม้รองด้วยเช่นกันอย่าคุยกันเสียงดังอย่าตะโกนเรียกกันเดินเข้าไป ใ, น ใ, นใกล้ๆจึงพูดกันเบาๆเอาของให้การอย่าโยนถ้าพระอาวิสโภพันสามารถกว่าเอาหนังสือให้ผู้อาวุโสต่ำกว่าเช่นพระสามพันษาเอายิ่นให้พระสองพันษาพระสองพันษาต้องนั่งลงจึงจะเอามือไปรับด้วยความเคารพ พระอวุโสเดินมาข้างหลังพระพรนษาหย่อนกว่าต้องหลีให้พระอวุโสเดินนำหน้าไปก่อนเสมอไปบินทบาทให้ภาวนาทุกก้าวห้ามพูดคุยกันถ้าจำเป็นจะต้องพูดคุยกันให้หยุดแอบลงข้างทางแล้วพูดกันพรรษาน้อยต้องนั่งลงเสมอเป็นการเคารพวินัยของพระพุทธเจ้าเป็นการสำรวมอินทรีย์เป็นผู้ไม่ประมาทในพระธรรมวินัย การภาวนาการปฏิบัติธรรมจึงจากก้าวหน้าจะเกิดปัญญาเห็นชอบอยู่เสมอท่านนึกอะไรได้เห็นข้อควรแนะนำอะไรจะได้เตือนเสมอเรื่องความเพียรท่านกล่าวอยู่เสมอว่าผู้มีความเพียรไม่เกิดครานทั้งกลางวันกลางคืนอยู่ด้วยความไม่ประมาทย่อมเป็นผู้เจริญในธรรมเหมือนพระกัจจายนะที่พระพุทธองค์ ยกย่องว่าเป็นผู้มีราตรีเดียวเจริญท่านยกตัวอย่างให้ขยันทำความเพียร ม, มากๆให้เกิดปัญญาได้เห็นทางมรรคผลขึ้นในจิตท่านว่าผู้มีความเพียรเป็นผู้มีจิตใจร่าเริง ม, มีใจดีมีอารมณ์ดีอยู่เสมอ41เทศสองธรรมมายกับเจ้าคณะอำเภอเครื่องในครั้งหนึ่ง ผู้บาดฌาญเท่ารับนิมนเทศสองธรร ม, มาภิกับเจ้าคณะอำเภอเก็งในเป็นการเทศปุดฉาพิจาชนากับเจ้าคณะอำเภอเก็งในมีชาวบ้านรอบๆ บ, บ, บ้านจีทวนมาฟังที่ศาลาวัดพระธาตุสวนตาลเป็นจํานวนมากเช่นมาจากบ้านหัวดอนบ้านหัวดูนบ้านท่าวารีบ้านแคนบ้านมะพริกบ้านท่าศาลาบ้านหนองบ่อ พระเนรจากวัดต่างๆทั้งครูหญิงผู้ชายจากโรงเรียนประชาบาลมาฟังกันเต็มบริเวณวัดวันนั้นเป็นวันอาทิตย์กำนันผู้ใหญ่บ้านครูใหญ่โรงเรียนต่างๆร่วมกันจัดขึ้นใครๆก็อยากฟังเทศของผู้บาจางเท่าท่านเสียงฮ้าวเสียงดังเสียงกังวานเสียงใสใบหน้าท่านยิ้มแยม้ม สร้างอารมณ์ขันอารมณ์ดีชาวบ้านอยากคุกเขา่ายกมือไหว้ท่านอยากฟังเสียงอาจหารร่าเริงของท่านคำพูดของท่านเป็นคติธรรมพูดตรงพูดจริงไม่กลัวใครมีความเชื่อมั่นในตัวเองให้ธรรมะของพระพุทธเจ้าครูบาอาจารย์เท่าอธิบายว่าคนทำอกุศลกรรมไม่มากทำบาปไม่มาก ไม่รักษาสินห้าจะมีคติกรรมนิมิตรหรือกรรมนิมิตอารมณ์มาปรากฏให้เห็นก่อนตายเช่นเห็นแหปวนมีดปืนเห็นสัตว์ที่เราฆ่าอารมณ์ที่สังสมไม่เป็นอารมณ์ของอกุศลกรรมจะปรากฏก่อนตายกรรมนิมิตฝ่ายอกุศลกรรมจะนำไปสู่อบายภูมิถ้ารักษาสินห้า ทำบุญกุศลตักบาตรถวายสังฆทานทอดพระปา่าสร้างกุฏิสาาสร้างโบสถ์จะเห็นโบสถ์เห็นพระพุทธรูปเห็นเทวดากรรมมนิมิตรฝ่ายกุศลจะมาปรากฏตายไปจะขึ้นสู่สุคติโลกสวรรค์แต่ขอเตือนแยกโดดทั้งหลายอยากประมาทให้ปึกภาวนาตายก่อนตายไว้ทุกๆวันคื น, นี้แหละตีสี่ตีห้า ต้องตายก่อนจะวางจะเตรียมตัวตายกันอย่างไรก่อนนอนไหวพระสวดมนต์แล้วสมทานสินห้าเตนเองสำรวมสินห้าข้อใดไม่บกพ้่องแล้วดีใจปลืม้มปีติอินดีบริกรรมพุโทโธเมนาโถธรรมโมเมนาโถสังโฆเมนาโถ นอนด้วยความมีสติหายใจเข้าภาวนาว่าพุทธหายใจออกภาวนาว่าโธให้หลับไปด้วยอารมณ์พุทธโธฝันก็ฝันดีมีนิมิตก็มีนิมิต ด, ดีตายไปก็ตายดีไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์นแน่ถ้าเกิดมาเป็นมนุษย์อีกเกิดใหม่ก็จะดีกว่าเก่าเพราะมีพุทธานุสติเป็นอารมณ์ก่อนตาย ให้พากันอย่าประมาทนั่งนอนเดินยืนให้มีพุทธโธเป็นอารมณ์อยู่ทุกขณะทุกิริยบบทเป็นผู้ตายก่อนตายเป็นผู้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทการเทศบจชาที่ศาสนากล่านั้นดังกระชอนไปทั่วคนฟังตั้งใจฟังเงียบสงบเหมือนท่านเทศอยู่องเดียวบุคลิกท่านสง่าอาหาร เสียงดังฟังชัดเป็นที่ชื่นชอบเป็นที่นิยมผู้คนเคารพในภูมิธรรมของท่านอย่างกว้างไกลใครได้ฟังท่านเทศแล้วอยากฟังอีกอยากฟังโดยไม่เบื่อธรรมะที่ท่านนำมาสั่งสอนนั้นมีสาระมีประโยชน์เจ้าคณะอำเภอถามว่าพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้อะไรบ้างท่านตอบว่าตรัสรู้ ประยะิยสตีแล้วขยายทุกสมุทยัยที่รธมักสั้นๆพอเข้าใจถามว่าท่านสั่งสอนประชาชนมีอะไรบ้างท่านตอบว่าสอนพระสูตรพระอุันพระอภิธรรมแปดมสี่พันหัวข้อสรุปแล้วท่านสอนศีลสมาธิปัญญาสอนพระไตรรักษ์ทุกขังอนิจจังอนัตตา สอนให้ปฏิบัติตามพระอริยมรรคคือมรรคในองค์แปดถามว่าท่านสอนประชาชนให้ประพฤติปฏิบัติอะไรเป็นเบื้องต้นเป็นอันดับแรกท่านตอบว่าสอนเรื่องศีลห้าศีลห้า น, นี้พระโพธิสัตว์สอนมาตั้งแต่ต้นกลับตั้งแต่พระกุกกะกุสันโทนโนนให้มนุษย์ในสมัยกัปนนท์ด้วยความสงบมีศีลห้าข้อนี้เป็นธรรม รุ่คองโลกให้ปกติสุขไม่มีคุกตารางไม่มีตารวจใครมีศีลห้าในหัวใจดีทั้งนั้นกลุ่มคนใดมีศีลห้ากลุ่มคนนั้นดีเมืองไหนมีศีลห้าเมืองนั้นก็สงบสุขเจ้าคณะเครื่องนายถามว่าคนช่้นไรไปเกิดในสุขติโลกสวรรค์คนช่นไรตายแล้วลงสุบอบายภูมิ ผูบายจาเท่าตอบว่าคนรักษาสินห้าสมทานสินห้าอยู่เสมอเว้นจากการฆ่าสัตว์ไม่เบียดเบียนจัดเว้นจากการเอาของผู้อื่นมาเป็นของตนเว้นจากการประพฤติผิดในบุตรภรยาสามีคนอื่นเว้นจากการพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดอินทาคนอื่นเว้นจากการเสพสุรายาเมาเสพติดทั้งปวงถ้ารักษาสินห้าได้ จะมีโภคคาทรับบริบูรณ์จะมีความสุขกายสบายใจตายไปแล้วขึ้นสู่สุคติโลกสวรรค์หมดแต่ถ้าละเมิดสินห้าข้อนี้ไม่สมาทานสินห้าจะลงสู่อบายภูมินรกเปรตอสุลกายสัตว์โดยฉานหมดไม่มีเหลือคนลงนรกมากมายเหมือนคนวัว น, นั่นแหละพวกทำแต่กรรมดีทำบุญกุศลไม่ประมาทรักษาสินห้า มีจำนวนเหมือนเขาบัวสองเขานั่นแหละพวกเขาขึ้นไปสวรรค์หมดเจ้าคณะอำเภอถามว่าก่อนจะตายเจ็บป่วยใกล้ตายจะทำจิตใจยอย่างไรซึ่อจะไปสู่สุคติโลกสวรรค์ครูบาอาจารย์เท่าตอบว่าให้ระลึกนึกถึงบุญกุศลความดีทั้งหลายที่ตนได้ทำไว้แล้วระลึกถึงพุทธานุสติเป็นพ่อ ทำมานุสติเป็นแม่ให้เห็นพระสงฆ์เป็นพี่เลี้ยงนำทางหายใจเข้าภาวนาว่าพุทธหายใจออกภาวนาว่าโทอยู่เสมอทุกขณะจิตเมื่อจิตเคลื่อนออกจากร่างจิตจึงจะไปสู่คติโลกสวรรค์เมื่อเทศบุตรฉาวิสัชนาเสร็จคณะครูกำนันผู้ใหญ่บ้านนำปัจจัย ที่ใส่ลงในขันเงินขันลงหินหลายใบมารวมกันได้เงินเกือบสองพันบาทแบ่งเป็นสองส่วนถวายเจ้าคณะอำเภอเครื่องในส่วนหนึ่งส่วนของท่านครูบาอาจารย์ทองรักนั้นเมื่อเจ้าคณะอำเภอกลับไปแล้วท่านมอบให้วัดพระธาตุสวนตาลในสมัยนั้นคู้ประชาบาลนเดือน8บาทครูใหญ่12บสองบาททำงานมานานปี จึงจะได้20บาทครูมัธยมปมจะได้80บาทจบอักษรศาสตร์บัณฑิตจะได้90บาทจบประโยคครูมัธยมและธรรมศาสตร์บัณฑิต ด, ด้วยจะได้เงินเดือน100บาทกันเทศจากขันคนละหนึ่งสตางค์หสตางค์รวมกันเป็น1 2 0 0อบาทนับว่าได้เงินมากเป็นพิเศษ เข้าสาลเหนียวชั้นหนึ่งหนึ่งรกิโลกระสอบละเก้าบาทท่านรับถวายกันเทศแต่ยกให้วัดพระธาตุสวนตาลนับว่าท่านไม่ติดในลาบในปัจจัยท่านพอใจที่ชักจูงให้ยาิโยมเข้าใจธรรมะรู้จักรักษาสี่งรู้จักทำสมาธิรู้จักทำความดียิ่งยิ่งขึ้นไปรู้จักฝึกตายก่อนตาย รู้จักธรรมอานาปณะสติมีสติจำประชัญญะกำหนดดูลมหายใจเข้าออกทุกขณะจิตทุกอริยาบทคือผู้มีความไม่ประมาท42โอวาสก่อนลาศิกขาบทครูบาจารย์ทองรัฐให้โอวาสพระเทียบก่อนลาศิกขาว่าให้ปฏิบัติมีสิน์สมาธิปัญญาทุกอริยบทยืนเดิน นอนภาวนาพุทธโธ ท, ทุกลมหายใจก้าวเท้าขวาพุทเท้าซ้ายโธทุกอย่างก้าวจะเห็นความสัจ ร, รั์ของพุทธโธภายในหนึ่งปีเวลากราบพระประธานกราบที่ไหนก็ตามให้โยนิโสมนัสิการน้อมใจกราบลงใกล้กราบพระบาทพระพุทธเจ้าเหมือนกับท่านมายือนอยู่ประทับอยู่ นั่งอยู่ใกล้ๆเราเป็นพ่อติดตามดูแลเราทุกเวลากราบพระธรรมพระธรรมเหมือนแม่คุ้มครองดูแลเราตลอดเวลากราบพระริยสงพระสงฆ์เป็นพระพี่เลี้ยงนำเราให้คิดดีพูดดีปฏิบัติ ด, ดีด้วยกายวาจาใจในทุกสถานที่คุณพระรันตนไสยนี้จะทำให้เราได้แต่สิ่งที่ดียิ่งขึ้นไป สีด้วยความเคารพและศรัท ธ, ธาพวกใหญ่กันหาสุทธิพันธ์เป็นโยมอุปถัมภ์ใกล้ชิดกับครูบาอจารย์เท่ามันตลอดหลังจากที่ได้ร่วมกับคณะเป็นคนไปนิมนต์ครูบาจารย์เท่าที่บ้านขาดโคมให้ไปจริญปัญญาที่บ้านชีทวนเมื่อครูบาจารย์เท่าได้ออกจากบ้านชีทวนหลายปัญษาและได้ไปอยู่ที่บ้านคุ้ม อำเภอสำโรงจังหวัดอุบลราชธานีด้วยความศรัทธาอันแรงกล้าของพ่อใหญ่ก็ได้อบพยพครอบครัวไปด้วยและได้ทำกิจการค้าข้าวควบกู้ไปด้วยเพื่อจุนเจอเือครอบครัวยังไม่มีที่นาทำกินในขณะนั้นถึงพ่อใหญ่ไม่เคยบวชเคยเรียนมาก่อนแต่ด้วยศรัทธาที่มีต่อครูบาอาจารย์เท่าเต็มร้อย ในการปฏิบัติพ่อใหญ่ไม่เคยทิ้งลายกรรมฐานที่ได้รับการถ่ายทอดจากครูบาอาจารย์เท่าแม้แต่น้อยถึงแม่ปัจจุบันอายุย่างเข้าปีที่8ปดสิบก็ตามและลูกหลานแต่ละคนมีหน้าที่การงานเป็นหนผู้นำของคนได้นำท่านไปเพื่อจะทำตามหน้าที่ของลูกที่คุ่นกระทำที่มึงหลวงแต่ปฏิปทาทุกอย่างพ่อใหญ่ไม่เคยที่จะลืม มูลเก่าแต่อย่างไรสมกับสุภาษิตอีสานที่ว่าถึงแม้ว่าจะได้ดิบได้ดีเป็นเจ้าฟ้ามหากษัตริย์ก็ไม่เคยที่จะลืมอดีตที่เป็นชาวนากีดควายหากล้าเช่นพาเขามาคาดพุงที่ใช้สารพัดประโยชน์ของคุณอีสานไปไหนมาไหนพ่อใหญ่ไม่เคยทิ้งที่สำคัญเรื่องการปฏิบัติ การรับประทานอาหารพ่อใหญ่ยังกินข้าวจานหมาเหมือนเดิมคืออาหารทุกอย่างทั้งขาวหวานต้องใส่ภาชนะเดียวกันเรื่องการเดินจงกรมนั่งสมาธิไม่เคยขาดเรื่องสติสัมปชัญญะในบรรดาพเพื่อนรุ่นเดียวกันหาตัวจับยากสำหรับผลของการปฏิบัติพ่อใหญ่ว่าไม่สงสัยแล้วพร้อมเสมอที่จะไปตามผู้เป็นเจ้า คือพระจุราจังพ่อใหญ่ได้เล่าให้ฟังว่าปกติครูบาจารย์เท่าท่านพูดเสียงดังเป็นเชิงไม่กลัวใครท่านชอบอยู่ตามร่มไม้ตามป่าและอยู่ไม่เป็นที่การอยู่ที่เดียวนานๆท่านว่าจะทำให้ติดสถานที่ท่านไม่ติดกุฏิกลับมาจากขุดงก็มาอยู่กุฏิหลังใหม่ ตามทีไ่ไปกับท่านท่านจะผ่าพักใต้ต้นไม้เมื่อนั่งลงท่านจะกราบก่อนเวลาไปท่านก็กราบอีกบางทีเดี๋ยวจะจั ด, จดหรือยามเย็นๆท่านจะผ่านั่งพักกลางวันตามลำไม้เมื่อจะนั่งลงท่านก็กราบเมื่อไปท่านก็กราบเลยถามท่านว่ารู้บาอาจารย์กราบอะไรหรือครับท่านตอบว่ากราบต้นไม้ ต้นไม้ก็เหมือนพระพุทธเจ้ามันทํางานเลี้งชีวิตตัวเองเวลามีลูกมันก็มีหัว น, น ก, ก็กินได้คนจะนําไปกินก็กินได้ส่วนบางครั้งผูบาอาจารย์กราบกรารแจ้งนั้นก็กราบระลึกถึงความบริสุทธิ์ของพระพุทธองค์จิตของพระพุทธเจ้าไม่ได้เกาะติดอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งคนโบราณจึงมักเปรียบเทียบว่า เมื่อมีพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใดต้องมีดอกบัวรองรับอยู่ที่นั่นตามที่ได้อยู่กับท่านท่านถือเป็นนิสัยในการลุกการนั่งต้องปราเป็นประจำจนผู้อื่นทำตามได้ยากสำหรับการอยู่ท่านไม่ชอบอยู่กับคนหมู่มากชอบอยู่ตามลำพังอยู่ตามป่าสองสามวันก็ย้ายไปที่ใหม่ไม่ชอบอยู่ในเมือง ท่านบอกว่าจะทําให้ติดรถอาหารไปอยู่ตามป่าฉันอาหารทิพย์ถามท่านว่าอาหารทิพย์คืออะไรท่านตอบว่าอาหารทิพย์คือดอกกระเจียวหน่อข่าเห็ดกระโม่หวายหน่อโจ๊ดเวลาฉันก็มีความสะอาดไม่ค่อยมีโรคมีภัยบางทีเขานิมนต์ไปฉันในบ้านท่านเอายาขึ้นนินเม็ดแดงเหลือง ออกมาประมาณย0สบเมตรนำเข้าปากแล้วฉันน้ำตามถามท่านว่าทำไมฉันมากแท้ผูบาอาจารย์บอกว่าเพื่อดับรถอาหารถ้าเป็นเราฉันสามเมตรก็หู ด, ดับไปหมดนี่ท่านฉันแล้วก็เฉยครั้นถึงเวลาวันพระสิบห้าค่ำพระเนนบมารวมกันที่ศาลาเวลาฉันอาหารท่านมักจะบอกพระเนน ให้ฉันด้วยความสำรวมมีสติพิจารณาว่าฉันเพื่ออะไรฉันเพื่อบรรเทาความหิวเพื่อดำรงชีวิตหรือเพื่อความอยากฉันเพื่อความงามหรือฉันเพื่อเลี้ยงตันหาถ้ารู้สึกว่าอีกห้าคำจะอิ่มให้หยุดแล้วฉันน้ำลงจะอิ่มพอดีแต่ถ้าตันหามันสั่งให้ฉันเต็มที่คงจะถึงลาคอ พอดื่น้ำลงไปจะนั่นท้องอยู่ไม่ได้แล้วก็ไม่สบายต้องเอามือล้วงคอให้แอจเจนอย่างนี้ผิดวินัยของพระการฉันโดยไม่พิจารณาเป็นบาปตายไปเป็นควายไถายนาให้เขากิน44จับไม่ถูกเป็นครูบาอาจารย์ได้สั่งสอนลูกศิษย์ให้สํารวมในการขบฉันและท่านได้ทำให้ดูเป็นตัวอย่างด้วย เช่นเวลาฉันท่านจะฉันไปทีละอย่างฉันข้าวฉันผักถ้ามีปลาก็จะฉันปลาไปทีละอย่างอย่างทำอยังนี้จนอิ่มพ่อใหญ่กัญหาซึ่งแอบจำเนงดูผุบาาจารย์เท่าอยู่เมื่อท่านฉันเสร็จแล้วจึงพนมมือถามท่านว่าขอโอกาสครับกระผมกระผมสังเกตท่านอาจารย์ ฉันทำไมจึงฉันทีละอย่างมันดีอย่างไรครูบาอาจารย์เท่าบอกว่ามันจะไม่ได้หลงติดรสชาติครูบาการสอนลูกศิษย์แต่ละคนของครูบาอาจารย์เท่าจะไม่ค่อยเหมือนกันเช่นใาอยู่ครั้งหนึ่งท่านจะสอนเรื่องการขบฉันให้อยู่ในการสำรวมอย่าฉันให้มีเสียงดังอย่าฉันพรางพูดพลาง ในฉันมุมมามซึ่งอยู่ในกรอบของวิัยที่ว่าด้วยการกบฉันถึงเวลาฉันผู้บาจารย์เท่าจะทําตรงข้ามกับที่สอนลูกศิษย์ข้าวตกเรวราดพูดทั้งที่มีคําข้าวอยู่ในปากเป็นอาการที่ไม่สํารวมและมีพระลูกศิษย์ไม่ทราบเจตนารมณ์ของท่านหรืออย่างไรไม่ทราบเกิดคิดตําหนิท่านอยู่ในใจว่าผู้บาจารย์เท่า สอนแต่คนอื่นไม่สอนตัวเองพอเก็บกวารงฉันเสร็จก่อนเลิกท่านจะมาให้โอวาดและกาบพระเลอกพร้อมกันพระรูปนั้นถึงกับอึ้งไปเมื่อุบาจาร์เท่าท่านเทศเกี่ยวกับที่พระรูปนั้นคิดว่าปร่ยิติครุบาจาร์ไม่ยิติธรรมะ